สติกะปุคละบัญญัติ91บุคคลที่หมดความหวังเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเร็วสามไม่สะอาดมีสมาจาณอันคนอื่นประลึกด้วยความรังเกียจมีการงานอันปกปิดมิใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ผู้เน่าใน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 เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันดังนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้หมดความหวัง 92. บุคคลที่ยังมีความหวังเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามเธอได้ฟังมาว่าภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน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 บุคคลบางคนในโลกนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันอยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเธอได้ฟังมาว่าภิกตุผู้มีชื่ออย่างนี้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันอยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน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 เรียกว่าผู้ที่ปราศจากความหวัง94บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบด้วยคนไข้าสามจำพวกเป็นไนคนไข้าสามจำพวกคือ 1. คนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสปายะได้ยาที่เป็นสปายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสปายะ ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมไม่หายจากอาพาธนั้น 2. คนไข้บางคนในโรคนี้ได้โภชนะที่เป็นสัพพายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปพายะได้ยาที่เป็นสัพพายะหรือไม่ได้ยาที่เป็นสัพพายะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมย่อมหายจากอาพาธนั้น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 จึงส่งอนุญาตอาหารสําหรับภิกษุค่ายยาสําหรับภิกษุไข้คนพยาบาลสําหรับภิกษุไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้ ร, รับการพยาบาลด้วยบุคคลเปรียบเหมือนคนไข้าสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกอย่างนี้เหมือนกันบุคคลสามจำพวกเป็นฉไหนหะนึ่ง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 ย่อมยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายสาบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นพระตถาคตจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องเมื่อไม่ได้เห็นย่อมมาอย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วจึงยังลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมาอย่างลง บรรดาบุคคลสามจำพวกนั้นบุคคลผู้ได้เห็นพระตถาคตจึงอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นก็ย่ อ, ยอมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่พระธถาคตประกาศแล้วจึงอย่างลงสู่นิยามที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังก็ย่ อ, ยอมไม่อย่างลงเพราะอาศัยบุคคล น, นี้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 เพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าผู้เป็นกายสขี96บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปะตะเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขและสภาวธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว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 หรือเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิสเล็กน้อยด้วยประการชนี้บุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาคู่99บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้เป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้และการพูดเท็จ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 ไม่พูดเท็จทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งบุคคลอื่นหรือเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยด้วยประการชนิดบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้พูดภาษาดอกไม้100บุคคลผู้พูดภาษาน้ำผึ้งเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสบายหูไพเราะ จับใจเป็นวาจาของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจบุคคลนี้เรียกว่าผู้พูดภาษาน้ำผึ้งึ่ง1 0อบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทขึ้นเคียดแสดงอาการโกรธ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 ขัดเคืองและไม่พอใจบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าหนึ 102. บุคคลผู้มีจิตเหมือนฟ้าแลบเป็นฉไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเปเรียบเหมือนคนตาดีพึงเห็นรูปในขณะที่ฟ้าแลบ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 อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้มีจิตเหมือนเพชร 104. บุคคลตาบอดเป็นฉะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โพกกระซั์ที่ยังไม่ได้หรือทำโพกกระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูน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 หรือทำพวกกษัตรย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดาและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียว106บุคคลสองตาเป็นไหนะ บุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โพกกรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภกกระซับที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนและเขามีในตาเป็นเครื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวและประณีรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลสองตา หนึเจบุคคลผู้มีปัญญาเหมือนม้อความเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในทํากลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้น ท่ากลางและที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้แม้รู้จักที่นั้นแล้วก็จําเบื้องต้นท่ากลางและที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อคว่ำที่เขาเทน้ําลงไปน้ําย่อมไหลราดไปไม่ขังอยู่ชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสํานักของภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน้นมีความงามในท้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมาจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องตน้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งคถานั้นไม่ได้แม่ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจำเบื้องตน้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งคถานั้นไม่ได้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 ประกาศพรหมจันท ร, ร์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วจำเบื้องต้นท้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษเก็บของเคี้ยวต่างๆคืองาข้าวสารขนมต้มพุทธาไว้ที่ชายพก บุรุษนั้นเมื่อลุกจากที่นั้นพึงทำเบียรราชเพราะเผลอสติชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิจูดทั้งหลายพิจูดทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมาจารย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจําเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นได้แต่ลุกจากที่นั้นแล้วก็จําเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งกถานั้นไม่ได้บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญาเหมือนชายพก109 บุคคลผู้มีปัญญากว้างขวางเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ไปวัดเป็นประจำเพื่อฟังธรรมในสำนักของพิกษุน์ทั้งหลายพิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้น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 พิสูจทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัดและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแก่เขาเขานั่งตรงที่นั้นจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งคถานั้นได้แม้รูปจากอาสนะนั้นแล้วก็ยังจำเบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดแห่งคาถานั้นได้ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปัญญากว้างขวาง110บุคคลผู้ยังมีกามราคะและภวะราคะเป็นไฉนบุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้ยังมีกามราคะและภวะราคะ111 บุคคลผู him, ution, ้ไม่มีกามาราคะแต่ยังมีภวะราคะเป็นไนบุคคลผู้เป็นอนาคามีบุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมีภวะราคะ112บุคคลผู้ไม่มีทั้งกามราคะและภวะราคะเป็นไนบุคคลผู้เป็นอรหันต์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ไม่มีกามราคะแต่ยังมี ภาวะราคะรบาบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกโรธเป็นประจำและความโกโรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานรอยขีดบนแผ่นหินย่อมไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำย่อติดอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน โกรธเป็นประจำและความโกรธของเขานั้นก็หมักหมมอยู่นานบุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดบนแผ่นหินหนึบุคคลผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นดินเป็นฉนบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเป็นประจำแต่ความโกรธของเขานั้นไม่หมักห ม, มมอยู่นานรอยขีดที่แผ่นดินย่อมลบเรือนเร็ว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 แม้จะถูกว่าด้วยคําหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคําที่ไม่น่าพอใจก็ยังคงสมานไมตรีกลมเกลียวอยู่ปลองดองกันอยู่รอยขีดที่น้ําย่อมขาดหายไปเร็วไม่ปรากฏอยู่นานชื่อแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะถูกว่าด้วยคำหนักแม้จะถูกว่าด้วยคำหยาบแม้จะถูกว่าด้วยคําที่ไม่น่าพอใจ ก็ยังคงสมานไม่ตรีกลมเกลียวอยู่ปลองดองกันอยู่บุคคล น, นี้เรียกว่าผู้เปรียบเหมือนรอยขีดที่น้ำหนึ่งร้บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นฉนยัยผ้าเปลือกไม้สามชนิดคือหนึ่งผ้าเปลือกไม้ใหม่มีสีไม่สวยสัมผัสหยาบทั้งราคาก็ถูก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 มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเป็นฉนัหนึแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นนวักะเป็นผู้ทุศีนมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นเป็นผู้มีผิวพันธ์เศร้าหมองผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้มีสีที่ไม่สวยนั้น ส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการครบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อมีใช้ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสหยาบนั้น<ม>ก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสะนะและกีฬานปัจจเภสัช บริการของคนเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 2. แม้ท้าภิกษุผู้เป็นมัชชิมะแม้ท้าภิกษุผู้เป็นเถระแม้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพันธุเจ้าหมอง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 ก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเจนาสนะและกิราณาปัจจัยเพสัชบริขารของบุคคลเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่าน้อยผู้นี้เปรียบเหมือนภาพเปลือกไม้ที่มีราคาถูก 3. หากภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในถ้ำกลางสง์ ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยคำที่คนพาลไม่ฉลาดกล่าวออกไปแม้ตัวท่านก็เข้าใจคำที่ควรกล่าวเธอโกรธไม่พอใจเปล่งวาจาที่เป็นเหตุให้สงยกวัดตนเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งที่กองอยากเยื่อบุคคลเปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้สามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 1นึบรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแคนกาสีสามจำพวกเป็นฉนัยผ้าแคว้นกาสีสามจำพวกคือ 1. ผ้าแควนกาสีที่ยังใหม่มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพง 2. ผ้าแคว้นกาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพง 3. ผ้าแควนกาสีแม้จะเก่าแต่ก็มีสีสวยสัมผัสสบายและมีราคาแพงคนทั้งหลายย่อมทำผ้าแควนกาสีแม้เก่าให้เป็นผ้าห่อกแก้วหรือเอาใส่ไว้ในผราอบของหอมบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแควนกาสีสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เหมือนกันภิกษุสามจำพวกเป็นฉนัน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 เปรียบเหมือนผ้าแคนกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้นพิกษุนั้นรับจีวรบินธบาตเสณาสนะและคีรนาป จ, จัยเพสัชบริขารของบุคคลเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงมากนี้เป็นเหตุให้พิกษุนั้นมีค่ามากผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแคนกาสีที่มีราคาแพง สแม้ถ้าภิกษุผู้เป็นมัชชิมะเป็นต้นละผู้เป็นเถระมีศีลมีธรรมอันงามนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีผิวพันธงามผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแพรนกาสีที่มีสีสวยนั้นส่วนบุคคลเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการครบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่บุคคลเหล่านั้นตลอดกาลนานนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแหวนกาสีที่มีสัมผัสสบายนั้นก็ภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเตนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัชบริขารของบุคคลเหล่าใดทานของบุคคลเหล่านั้นย่อมมีผลมากมีอาณิสงมากนี้เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นมีค่ามาก ผู้นี้เปรียบเหมือนผ้าแว้นกาสีที่มีราคาแพงสามถ้าภิกษุผู้เป็นเถระเห็นปานนี้กล่าวในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายก็จะกล่าวกับเธออย่างนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสงบเถิดภิกษุที่เป็นพระเถระจะกล่าวธรรมและวินยัยถ้อยคำนั้นของพระเถระควรรงจำไว้ในหัต เหมือนผ้าแค้นกาสีที่ควรเก็บไว้ในพระอบของหอมฉะนั้นบุคคลเปรียบเหมือนผ้าแค้นกาสีสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในภิกษุทั้งหลาย 118. บุคคลผู้ประมาณได้ง่ายเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนฟุง้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพื่อ มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตกวัดแกว่งไม่สำรวมอินทรีย์บุคคลนี้เรียกว่าผู้ประมาณได้ง่าย1นึบุคคลผู้ประมาณได้ยากเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่เป็นคนปากกล้าไม่พูดพร่ำพเพรื่อมีสติมั่นคงมีสัมปชัญญะ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 121บุคคลที่ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนต่ำซามกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไว้แต่ความเอ็นดูและความอนุเคราะห์122บบุคคลที่ควรเสพควรคบ ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเสมอตนในด้านศีลสมาธิปัญญาบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการสนทนาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาจะมีแก่เราทั้งหลายพูดถึงความเสมอกันในด้านศีลสมาธิปัญญา การสนทนาของเราทั้งหลายนั้นจักเป็นความสำราญและจักดำเนินไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้ห2 3ี่สบาุคคลที่ควรสการะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เหนือกว่าตนในด้านศีลสมาธิปัญญา บุคคลเช่นนี้ควรส ก, การะเคารพแล้วจึงเสพคบเข้าไปนั่งไกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลเช่นนี้คิดว่าเราจักได้บำเพ็ญศีลละขันคือกองศีลสมาธิขันคือกองสมาธิปัญญาขันคือกองปัญญาที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือจักอนุเคราะห์ศีลละขันสมาธิขัน ปัญญาขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในที่นั้นๆเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้ควรสการะเคารพแล้วจึงเสบคบเข้าไปนั่งใกล้หยบุคคลที่ควรรังเกียจไม่ควรเสบไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉะไ น, นบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอเลวสามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจ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 เพราะคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิจติดจับอันชั่วของเขาย่อมกระชอนไปว่าคนคบมิตรชั่วคบสหายชั่วคบเพื่อนชั่วเปรียบเหมือนงูที่เปื้อนคู่ถึงจะไม่กัดใครใครก็จริงถึงอย่างนั้นก็ทําให้เขาเปื้อนได้ฉันใดคนทั่วไปก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิจติดจับ อันชั่วของเขาก็กระชอนไปว่าคนคบมิรชั่วคบจะหายชั่วคบเพื่อนชั่วเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรรังเกียจไม่ควรเสบ็บไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้125บุคคลที่ควรวางเฉยไม่ควรเสบ็บไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉะไหน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 เป็นคนมักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเปรียบเหมือนฐานไม้มาพับถูกไม้หรือกระเบื้องกระทบเข้าย่อมปะทุเกินประมาณแม้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคนมักโกรธ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 ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทครึ่งเครียดแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจบุคคลเช่นนี้ควรวางเฉยไม่ควรเจพไม่ควรพบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไปราะบุคคลบางคนคิดว่าบุคคลเช่นนี้จะพึงด่าเราบ้างบริพาดเราบ้างทําเราให้จิตหายบ้างเพราะฉะนั้น บุคคลเช่นนี้จึงควรวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้126บุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นฉนัยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงามบุคคลเช่นนี้ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ข้อนั้นเพราะเหตุไระ เพราะบุคคลทั่วไปแม้จะไม่ได้ตามอย่างบุคคลเช่นนี้แต่กิตติศัพท์อันงามของเขาข้อขอจรไปว่าคนคบปิดดีคบสหายดีคบเพื่อนดีเพราะฉะนั้นบุคคลเช่นนี้จึงควรเสพควรครบควรเข้าไปนั่งใกล้127บุคคลผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์ในศีลทาให้พอประมาณในสมาธิทำให้พอประมาณในปัญญาเป็นไฉนะ บุคคลผู้เป็นโสดาบันและสกัดทาคามีบุคคลเหล่านี้เรียกว่าผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้พอประมาณในสมาธิทําให้พอประมาณในปัญญา128บุคคลผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้พอประมาณในปัญญาเป็นไฉนบุคคลผู้เป็นอนาคามี คนนี้เรียกว่าผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้พอประมาณในปัญญา129บุคคลผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้บริบูรณ์ในปัญญาเป็นไฉหนะบุคคลผู้เป็นอปรหัน์ บุคคลนี้เรียกว่าผู้มีปกติทําให้บริบูรณ์ในศีลทําให้บริบูรณ์ในสมาธิทําให้บริบูรณ์ในปัญญา1นึ่ในบทมาติกานั้นบุคคลผู้เป็นาศาสดาสามจำพวกเป็นฉไนาศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนา ศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญ <reef> ญัติการละเวทนาศาสดาบางคนในโลกนี้บ <myślę> ัญญัติการละกามบัญญัติการละรูปและบัญญัติการละเวทนาบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาที่บัญญัติการละกามแต่ไม่บัญญัติการละรูปไม่บัญญัติการละเวทนา ด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสตราผู้ได้รูปาวจรสมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสตราที่บัญญัติการละกามและบัญญัติการละรูปแต่ไม่บัญญัติการละเวทนาด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นศาสตราผู้ได้อรูปสมาบัติบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสตราที่บัญญัติการละกาม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 โดยความเป็นของยั่งยืนและบัญญัติอัตราในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าเที่ยงบรรดาศาสดาเหล่านั้นศาสดาผู้ที่บัญญัติอัตราในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนแต่ไม่บัญญัติอัตราในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริง โดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์ศาสดาผู้ที่ไม่บัญญัติอัตราในปัจจุบันโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนและไม่บัญญัติอัตราในพบหน้าโดยความเป็นของมีจริงโดยความเป็นของยั่งยืนด้วยการบัญญัตินั้นพึงเห็นว่าเป็นศาสดาผู้ตรัตตรู้เองโดยชอบ คนผู้เป็นศาสดาสามจำพวกแม้อื่นอีกติกกณนิเทศจบ